สาวโกโอพุโทโธเอกเชษพระโสดาวันสันติสวรรค์สักตาคาังอนาคาังอรหันต์อรหันต์สาวกสามิกาเป็นสาวกสามิกาเต็มภูมิแล้วพุท ธ, ธพุท ธ, ธะแปลว่าผู้รู้ถ้าไม่อธิบายผู้รู้ไม่จําแนกว่าผู้ฟังก็ไม่เส่ผู้รู้ของพระธรรมกัมพุทธเจ้าผู้รู้ของพระปจิต ผู้ลูกของพระทันตาชีนาศพผู้ลูกของพระอน า, าคามีผู้ลูกพระสกทาคามียผู้ลูกพระโสดาวันจะมาเทียบกันไม่ได้เพราะมีกําลังต่างกันด้วยปัญญาและไตรสิกขาไตรสิกขาพระโสดาวันไตรสิกขาสกทาคาเมียไตรชิกขาพระอน า, าคามีไตรสิกขาพระหัตถ์ไตรชิกขาพระพระเจกไตรชิกขาพะาระธรรมสังฆเจ้า จะเอามาเทียบกันไม่ได้แม่วัจจุบันก็เหมือนกันปัจจุบันพระโสดาบันปัจจุบันณสักขาคารีปัจจบันพระอนาคามีปัจจุบันพระอรหันต์วัจจุบันพระปเจปัจจุบันพระสมมาสัมพุทธเจ้าจะเอามาเทียบกันไม่ได้เพระเมน้ําหนักกว่ากันปัจจบันของช่างและราชสีจะเอากําลังมาเทียบกันก็ไม่เหมือนก็ไม่ได้เพราะมีกาลังต่างกันจะตีเซิร์ฟกันไม่ได้ ธรรมาชา้นสูงวัพุทธศาสนาสูงมันสูงออกมาจากไหนถ้าจิตสูงใจสูงทำก็สูงศีลก็สูงสมาธิก็สูงปัญญาก็สูงถ้าจิตใจต่ำศีล ส, สมาธิปัญญาก็กลมกลืนกันต่ําปัญญาเป็นหัวหน้าของธรรมทุกหมวดปัญญาของพระโสดาบันสัคตาคามีนาค า, ามีอรหันต์พระพเจ้พระสมัยพรพุทธเจ้าจะเอามาเทียบกันไม่ด้ปัญญาของพระสมัยพรพุทธเจ้าเป็นท่านที่หนึ่ง แม่พระปะรมศาสาัจดาให้คะแนนภาษาดีบุรุษเป็นผู้มีปัญญามากกอดท่ามเป็นคำพระมหาฉลาดขององค์ท่านเฉยๆถึงจะปัญญาเก่งสักเพียงไหนก็ไม่เสี่ยวของพระปะรมศาสดาใช่หรือไม่จะไปตีตนเสมอพระปะรมศาสาัจดามันก็ไม่ได้เหมือนกันพระมหาสารีบุตรเช่นพระศีวัดีเป็นผู้มีลาบมากจะราบมากสักเพียงไหนก็ไม่เสี่ยวพระปะรมศาสาัจดาเช่นพระอนุรุทธะ เป็นพวกเขาชานทันพระบรมศ า, ศาสีราก็ทันเป็นบางข้างบางคราวจะแปรทันเสมอเหมือนพระบรมาสารีราย่อมเป็นไปไม่ได้ที่พระบรมศาสดาให้เกียรติให้ยศภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็เพราะองค์ท่านฉลาดในเทศนาเวทียกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูงตามธรรมเนียมของท่านผู้ใหญ่เฉยๆอันทแท้ท่านทั้งหลายความรู้สเสน่ห์เหนือเราไปแล้วถ้านมาได้ยืนยันพระบรมศาสีรา มีปัญญามีลาบเนือเราไปแล้วท่านมันจะยืนยันอย่างนั้นเป็นแต่เพียงว่าท่านมีลาบมากก็ให้คเนนตามส่วนควรกล้าของเหตุไม่นในหัวเกียรติหัวยศ ไ, ไ้่อาจจะแท่ท่านทั้งหลายเหนือเราไปแล้วมันจะพูดหรือเสมอเราแล้วไม่ไม่จะพูดพระบ ร, รมศาสดาไม่ได้เสมอถึงจะเป็นพระธรรติเสมอก็ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นทําไมไม่ให้พระบ ร, รมศาสีาลุกขึ้นยืนรับ <laughs> พูดมากก็มากออกมาจากใจพูดน้อยก็น้อยออกมาจากใจถ้าหาก็หารลงถึงใจภูมิของสุปจิปโนบางต้นก็คือภูมิของพระโสดาวันเราดีๆนี่เองทำไมจึงไม่โรกีมาผลไปศาสนาพุทธ เพราะเอาคำสอนของศาสนาอื่นมาปนไปกันมันก็มีทั้งโลกิแโลกุตระยุ่งเหยิงคำสอนถึงโลกุตระก็มีคำสอนในพุทธศาสน า, า, า, าเท่านั้นเนื้อตอนนั้นอย่าเอามาเอ่ยเลยในมหาปริญญาพานสูตร รุปทะไวกาทูลพระบรมศาสดาในตอนสุดท้ายกำลังจะเิ้นลมปรานในตอนจะใกล้สว่างคืนวันนั้นเองสุพท ะ, ะบวชในวันนั้นก็สำเร็จพระอรหันต์ในวันนั้นเป็นเอเหิพิขุพระสมมาธาสุดท้ายมาถม มะสาวกก็คือพระโกนทันยะมะชิมมะสาวกก็คือสุภะทะแต่ข้างก่อนเคยกันเป็นพี่ชายกันนอกชายกันทานก้าวเข้าทานข้าวก้าข้างแต่ชาติก่อ น, อนแต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อ น, อนพี่ชายแม่ทานกูเอาขึ้นยุ่งขึ้นช้างแล้วกูจึงจะทานมึงจะทานก่อนมึงก็ทานชัก น้องชายพอทานก่อนถึงเก้าขั้งที่พอถึงศ า, าสตาพระพุทธะพธเจ้าของเราโกนทันแนีะก็พ้นกิเลสก่อนพี่ชายก็จนถึงปัสสิมมาการใกล้จะเข้าสู่พระนิพพานของพระองค์จึงได้มาบวชจึงสำเร็จประหารการท่านก่อนท่านรุ่นพิดกันจะได้่ <c oughs> ดเป็นประมาทว่ปิตาประมาทคนท่านเลย ที่นี่สุปทะสำเร็จพระหานแล้วก็กราบทูลพระพรมศารดรนรักที่อื่นๆาศารีาัต์อื่นๆถ้าเขาไม่ประมาทยันยะวิธีของเขาเขาจะถึงสุปฏิปโน ย, ย, ยุใหญ่สามบ้างาหรือไม่พระเจ้าพาอเอออย่าเลยอย่าเลยเราไม่พูดเข้าข้างตัวเราพูดเข้าข้างทาเหตุ น, นั้นเราจึงเขาก็ทํา ชุบธรรมโนช่วยยายและสามีนั่นมีแต่ในศาสนาพุทธนั้นเนือนอกนั่นอย่าเอ่อยเลยนั่นไม่พูดเข้าข้างตัวเราพูดเข้าข้างธรรมเพราะศาสนาอื่นๆมีด่าดื่นท้องถหนักไปในทางวัตถุนิยมแม้ทางวัตถุนิยมก็บัญญัติไม่ถูกอีกเสียด้วยถึงที่ผิดบัญญัติว่าถูกก็มีสิ่งที่ถูกบัญญัติก็ผิดก็มีไม่บริบูรณ์ ชุบปัจจพโนบริวูนทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพมสมบัติไมพผ่านสมบัติเลยศาสนาอื่นอย่ามาเอ่ยเลยไม่มีชุบปัจโนมีอุชโยายะสามีนอกตัวของเขาก็พระชุชนคนหนาดีนี่เองหัวหน้าเขาเขาจะเอาทุกบปัจจพโนชุบยายะสามีจิตมาจากตัวใดละ่ะพระบรมศาสลาเพตุนั้นอาณาดาบทอุทะการาบทรามาบทภาวนาจนถึงในว่าสัญญาณเสสัญญาณยศยศนะแล้ว ก็ยังเป็นโลกียอยู่มีอายุแปดหมื่นสีพันกับได้เกิดเป็นอรุปรพุทธก็พระเหตุใดก็เพราะเหตุยังไม่ถึงไตสันนาคมเพระาะไตสมาคมยังไม่เกิดขึ้นเรากําลังจะไปประกาศพระศาสนาให้เธอเพราะนึกถึงเธอนึกถึงท่านที่ท่านได้สอนราดาในโลกประชาะอารโ ป, ประชานไม่เป็นทาง เข้าสู่ พ, พเราไปเราไปอาศัยอยู่กับท่านเห็นว่าไม่ทางไม่เป็นทางตัดสูเราจึงหนีจากท่านเรานึกถึงคุณท่านเราจึงจะไปเทศนาก่อนแต่สิ้นอายุไขไปสักเก็บบันแล้วเราจึงไปหาพวกปัญจ ว, วัคคีสันโถอย่างนั้นก็ยังเป็นโลกีอยู่พวกนั้นไม่ใช่พระโสตามัน นี่ก็สอแสดงให้เห็นว่าณที่อื่นๆศาสนาอื่นๆเป็นโลกีศาสนาไม่ใช่โลกตรศาสศาสนา ต, ตรงๆเหตุนั้นเข้ามาลมาศานาจึงยืนยันแล้วไปเที่ยวเวบไปกับองค์หลวงปู่เทศที่ภูเ ก, ก็บพพงมาเนี่ยพวกพระนกักเรียนพวกพระวัดว่าท่านมาถามสมัยนั้นอายุเราส0่สิบปรีประมาณนั้นและ เดี๋ยวนี้เราแฝดเยอกว่าแล้วน่ทนายจาร์ทนายามหานิกายเขธรรมยุทธ์อันไหนดีแล้วก็ตอบไปตามธรรมะด้วยพระพระรามศาสต ร, ราไม่ได้ยืนยันว่ามหานิกายหรือธรรมยุทธเป็นสาวกของเราท่านยืนยันแต่เพียงว่าสุจัจบปโนโชุยายัยกษามีเท่านั้น มหานิการและสมยุทธ์เรามาใส่ชื่อใหม่เช่นนายดำนายแดงเป็นต้นนายดำทำผิดนายดำก็ผิดนดายแดงทำผิดนายแดงก็ผิดความบริสุทธิ์ไม่อยู่กับชื่อมันอยู่กับจิตกับใจแต่ละท่านและคนเราพูดอย่างนี้เมื่อฆราวาสเขเป็นสุปฏิปโนได้เขาถึงพระโสุดาวันเราพูดอย่างนี้เขาเป็นพระนาคามีก็ถึงยายะปฏิปโนได้เหมือนกันเขาถึงพระอรหันต์ก็ถึงสามีจิปฏิปโนได้เหมือนกันเช่นพระพาหิยะเป็นต้นเราพูดอย่างนี้นี้ เช่นพระสุตโธชนะก็เหมือนกันพระสุตโธชนะก็เป็นพระรหารแต่คาราว่าส่วนที่จะบวชหรือไม่บวชนั้นก็เป็นเรื่องของพวกท่านเหล่านั้นโยมเมืองสาเกตก็เป็นโยมเกศร่วนคนชาวนาก็เป็นพระทหารเหมือนกันเพราะเรามาศาสตราเทศเอาโยมชาวนานถึงพระรหาร ไมนิยมชั้นวันนะไม่นิยมเพศไม่นิยมชื่อแต่รัฐที่อื่นๆืาศาสนาอื่นๆมาประชันขั้นแข่งกับพระพุทธศาสนามันก็ป ร, ราศายกตนเทยมท่านแต่มหานิกายนร้ธรรมยุทธไม่ได้อวดดีต่อพระรพุทธเจ้าก็ถือวมาพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์เอกอยู่เหตุเช่นั้นจึงไม่ขับต่อมรคนิพพาน ม น, นี่ทางด้านสูงอดีตคืออะไรคือผู้รู้ที่ร่วงไปแล้วอนาคตคืออะไรคือผู้รู้ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออะไรคือผู้รู้ที่กาลังเป็นอยู่ ผู้ใดไม่จิตอยูในผู้รู้ทั้งสามกานทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันแล้วท่านโู้นั้นข้ามทะเลหลงไปแล้ว <labs. S 1> ผู้รู้ในอดีตก็เป็นแต่สักวารู้ผู้รู้ในอนาคตก็เป็นแต่สักวารู้ผู้รู้ในปัจจุบันก็เป็นแต่สักวารู้ไม่มีใครไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของไม่สําคัญว่าตนว่าอยู่ในผู้รู้ไม่สําคัญว่าผู้รู้อยู่ในตนไม่สาคัญตนมีในผู้รู้ในสําคัญว่าผู้รู้มีในตน ไม่สําคัญอะไผู้อื่นมีในผู zza, ผู้รู้มีในผู้อื่นไม่สําคัญใดๆในใจโลกกระทัถ้าอย่างนั้นก็ศูนย์สิถ้าไม่สําคัญมาศูนย์เป็นตนจนเป็นศูนย์ไม่สําคัญว่าศูนย์มีในตนตนมีในศูนย์ไม่สําคัญสิ่งใดๆในโลกมันก็เหมือนนกบินในอากาศเห็นแต่ตัวของมันลอยไม่เห็นเลยเหมือนนี่เชื้อน้ำก็เห็นแต่ไม่ไม่เห็นรอยเป็นแผลเลยท่านผู น, นั้นขา้ามทะเลลงไปแล้ว ใครเป็นผู้เสวยพระนิพพานพระนิพพานเสวยพระนิพพานเองไม่เป็นหน้าที่ของสังขารจะไปเสวยใครเป็นผู้เสวยสังขารก็สังขารเท่านั้นเสวยสังขารจะขอทุกข์เห็นอนิจจังขณะจิตหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยอนิจจังเมื่อเห็นอนิจจังชัดก็เห็นทุกข์และอนัตตาชัดอยู่ในตัวไม่ใช่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาจะไปอยู่คนละมุมโลกเป็นขณะจิตที่เห็นจาง นับยึดกันอยู่เช่นเราเห็นหน้าก็เห็นตาก็เห็นจมูกเหมือนกันแต่เราพูดอักษรย่อว่าเคยเห็นหน้ากันอายจีแทก็เห็นตาเห็นจมูกเหมือนกันแล้วโดยย่อชั้นใดก็ดีเราภาวนาพุทโธก็ทําโมสังโคอยู่ที่นั่นด้วยเราว่าอักรยอ่อเฉยเป็นเชือกสามเกี่ยว อ, อันนี้จังหมายถึงอะไรบ้างพูดอยู่วนี้เป็นอันนี้จังหรือไม่ นึกขึ้นแล้วก็โพดก็ล่วงไปแล้วเสียงเข้าหูส่งลงถึงใจก็ล่วงไปแล้วเป็นอเนจังรอบหนึ่งแล้วและเป็นทุกขสัมปยุ์อยู่รอบหนึ่งด้วยเป็นอนัตตาสัมปยุ์รอบหนึ่งด้วยไม่ใช่ทุกขังอเนจังอนัตตาอยู่คนละมุมโลกอยู่เป้าอันเดียวกันคือเป้ารูปเป้านามนั่นเองไม่ใช่เต้าอันอื่นเพราะพิชยพานานี้เป้า ที่มีที่มีเป้าก็มีแต่เป้าลูก เ, เป้าน้าเท่านั้นได้ในในโลกร่วนอันนี้จังได้ในโลกล้วนทุกขังได้ในในโลกล้วนอันัตตาอย่าสงสัยเลยนะทั้งอดีตทั้งอน า, าคตทั้งปัจจุบันด้วยเมื่อโลกเต็มไปด้วยไตรรักแล้วเหตุที่จะสงสัยโลกต่อไปอีกก็มันเว้นน้อยแต่เห็นตามสัญญาเมื่อเห็นชัดพร้อมกบลมหายใจเข้าออกแล้ว หาระหว่างไม่ได้แล้วก็ไม่สงสัยในโลกทั้งปวงด้วยเมื่อไม่สงสัยในโลกทั้งปวงปัญหาก็ไม่มีมากโลกทั้งปวงก็คือจิตใจเขาเป็นโลกทั้งปวงเหมือนกันเรียกว่าโลกไปในเหตุนั้นท่านจึงบัญญัติว่ารูปจิตเกตสิกนิพ่านรูปจิต เดทสิทธิน์นิพ่านนิพพานไม่ใช่กิจกิตไม่ใช่พระนิพพานถ้าทําถูกก็เป็นทุนทางเข้าสู่พระนิพพานถ้าทําผิดบ่อยๆก็เป็นหุนทางลงนรกกิตก็มีคุณเป็นมหันแต่ก็มีโทษเป็นอนันต์เหมือนกันถ้าทําผิดถ้าทําถูกก็มีคนเป็นมหันจึงเอาปัจจุบันเป็นตัวไต่สี่ขาเพื่ออาศัยถึงพระนิพพานเมื่อถึงพระนิพพานแล้วไม่บัญญัติว่าจิตอีก พระอาหารหันต์ตายแล้วบัญญัติว่าจิตอีกหรือไม่ไม่บัญญัติว่าจิตอีกบัญยัิว่าทำอันไม่เกิดไม่ดับไม่เปรไม่ควรเท่านั้นชงเหลือเหตุแล้วผลไปแล้วไม่เป็นธาตุของเหตุผลมีปัญหาสอดเข้ามาว่าพระอรหันตรักษาจิตหรือไม่พระอรหันต์ไม่ได้รักษาจิตเลยเพราะจิตขององค์ท่านไม่มีกิเลสจะรักษาทําไมแต่ผู้เรายังไม่พ้นก็ต้องรักษาสิ ถ้าไม่รักษามันก็พิดษยิ่งๆส่วนพระทหารท่านไม่รักษาเลยถ้าพระรหารยังรักษาจิตอยู่พระรหารก็เป็นคนคุมนักโทษใช่ไหมเพราะเกรงว่านักโทษจะทําอันตรายตนเตงว่านักโทษจะรักหนีตนจะมีโทษอีกเหตุนั้นพระรหารจึงไม่ได้รักษาจิตจิตก็เป็นแต่สักว่าจิตไม่มีใครไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของแล้ว ก็เป็นของว่างอยู่ณนะที่นั่นเองไม่ต้องทำกิริยาให้ว่างไม่ต้องทำกิริยาให้ปล่อยเมื่อเราลืมตาขึ้นมืดอเอือยเธอจงหนีซะข้าจะปล่อยวางท่านเราก็ไม่ได้ว่ามั น, น, ม, นมันปล่อยเองวางเองมืดมันไปเองมันไม่ต้องสำคัญว่าปล่อยไม่ต้องสำคัญว่าวางเพรรู้ว่าตาจริงมันก็หายวับไปณนะที่นั่นเอง ท่านเป็นผู้ลืมตามาแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้มืดข้าพเจ้าจะลาไปละมันก็ไม่ใช่ว่ามันไปเองมันเหตุกับผลมาอยู่ห่างกันพอเก้าเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุพูดผลก็พูดเหตุสงสัยผลก็สงสัยเหตุไม่สงสัยผลก็ไม่สงสัยเดี๋ยวรู้ลัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปนัญหาเหตุไปทาให้ทางนั้กกับมันกัน เพราะพะเนยพานทรงเนื้อเหตุเนื้อผลไปแล้วไม่สําคัญว่าอยู่ในเหตุใดๆผลใดๆทั้งสิ้นเหตุนั้นผลนั้นก็เป็นอโหชีผลอาโหชีเหตุไปแล้วเพราะไม่ยึดถือเหตุผลใดๆทั้งสิ้นเหตุนั้นอวิชาตัญหาอุปทานจึงแตกกระเจิงไปณที่นั้นเองไม่ต้องเยียงเวบว่าอวิชาตัญหาอุปทานกำภพชาติรามเมนะอะไรต่ออะไรเลยนี่ธรรมะสั้นสูงถ้าไม่พูดธรรมะชั้นสูงบ้างพระก็ไม่ถึงใจ ชั่วไปสิ่งที่ล่วงไปก็ล่วงไปหาระหว่างไม่ได้จนติดกันเป็นพืน้สิ่งที่ไม่ล่วงก็ไม่ล่วงเลยพระเนรพลไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของสังขารสังขารก็ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของพระเนรพลก็เจงอยู่ไม่มีกลวันคืนพระเนรพนก็เจงอยู่ไม่มีกลาวันกลงคืนใครจะมาลบหน้าพระเนรพ น, านมาให้เป็นพระเนรพลก็ไม่ได้ เพรจะมาลบน้างสังขารไม่ให้เป็นสังขารก็ไม่ได้เหตุนั้นพระบรงศาสตราจึงรู้ว่าเรารู้สังขารตามไปเที่ยงของสังขารเรารู้คณิพานตามไปเที่ยงของคณิพานแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองถ้าเราติดอยู่เงื่อนใดเงื่อนหนึ่งก็เรียกว่าเราไม่รู้สังขารและรูคณิพนานด้วยเหตุนั้นอุปาทานกรรมภพของเราวิญญาณปฏิสันพชิของเราก็ดับไปลนะที่นั่นเองการพูดอย่างนั้น เขาไม่ให like, ้หรกปู่พ it ูดมากใะดูด euh ูหน่อยจีเอานังสือให้ซะไม่เท่าจะจะักหัวอันว่นี่ก็ไรว่าน่อยว่ใกล้ว่าร้ายกระเทือนโรคจัดหัวี่ตาวันดีปวดจองห้องปวด สอนไปสอนหน้าคนให้ลูกขนานเอาแร็กพอลหลอกจัดหลอกเกิดไปแขนแขอ้อจะฟ้อไหมเดี๋ยวจะสอนให้สังเกตสังคมใยนันแต่ฟันว่าสวยๆสั่งบ้านในมันไผ่เก่งขโมยมูส่งเพื่นหนึ่งเพนนึงเพื่นนึงเพื่อนนเพนนึ่งเพื่อนนึงเพื่อนนึ่งเพ่นหน่งเพ่นเขืนึนนนงเห่ ม่นไทสันนิพใหญ่ตะปูพื้นหนึ่งพ้อยสีพืนหนึ่งอย่างนี้วะนะมึง่อจะไปเป็นอะกันเราอเนาะเออนักสืออ่านไม่ไนักสืออ่ะผู้ขาโอกซ้อนเติมได้นักสืออ่ะมาในพุทธศาสนาผู้ขาโอกซ้อเติมได้ ผู้นั้นไปอ่านที่ปร ะ, ประวัติองผู้ขาคั น, นัานตาว่าไรกันผู้นั้นกิเลสร้ายผู้กดผู้นั้นทำามนพ้นจากโศกเศร้าไปเนี่นมันกับว่าไรได้หรอเน้ะสิร <laughs> ิมานอมาสูตรสูตรของเชียงนอ เมื่อพระฐานสีทำคำสอนของพุทธศาสนาแน่นลงในรูปขันธ์ยามขันธ์มากกันไหนไม่แค่เรื่องรูปขันธ์ยามขัมอนธ์หนึ่งอยู่ไม่ถูกทางตรงก็ถูกทางอ้อมพระนานองค์พระโอกระวาวพระองค์ทรงพระชนมายอยู่ เทพไตรลักมากกว่าเพื่อนดูฟังอริจังเป็นต้นทำใจพระบรมครบใจสิกขาหมดเจ้นจากสักว่ารู้ว่าเห็นคำเดียว แตกชัดนะเป็นจำปิทาถือแน่เช่นพระคาทิยักแทกคำเดียวเป็นจากพระรูปผูเห็นคราดผ่อแล้วพราะม่ยึดถือผู้รู้ผู้เห็นเราเป็นเราเป็นเขาเป็นจักรเปบุคคลไม่สาคัญว่าผู้รู้ผู้เห็นเป็นเราเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นไม่สําคัญว่าผู้รู้ผู้เห็นมีในเราเรามีมีในผู้รู้ผู้เห็นโดยใจความประเทศอนัตตาท่านเองขบอนัตตาแจก วิชาธนาประธานก็แตกไปณที่นั่นอก็แตกช้าเนาะพุิสัมพิทาถือด้วยอรรสัมพิทาธรรมะทธสัมพิทานิโรธิพปทธิสัมพิทาไม่ใช่พานสัมพิทาแตกช้าในเที่นั่นเองทำแต่เรืวรรวาดตรงต่อพระนิพามหมดมันขึ้นอยู่กับเทวะกัตถุญาตาผู้ทาความดีในฟางก่อปัญหาของนักทำเอ เขถามกันเท่าทุกวันนี้เราไม่ตอบมันเดิมผู้ภาวนาพุโทโธพุโทโธ น, นั้นเป็นสมถะหรือวิปัสสนาเราถ้าจะตอบตรงสถามสนามหลวงก็ตอบว่าผู้ภาวนาสมถะผู้ผู้ภาวนาพุโทโธพุโทโธ น, นั้นเป็นสมถะ ถ, ถึงอุปจารสมาธิเท่านี้ไม่สามารถจะถึงอัปปนาสมาธิต่อถูก ถ้าเราให้เราตอบเยวนี่แล้วไปตอบอย่างนั้นเพราะเราได้มาปฏิบัติผู้ภาวนาผู้โทติ้โทจะว่าสมรรถหรือปัสนาก็ไั่เชืนยกมุทารหงมันขึ้นอยู่กับปัญญาของผู้ผแก่ต้างว่อแต่ในชาติก่อนพระผูเจกจตกระต๊อบโคตาจะททำความดีในฟาตก่อนมากแล้วก็ตอบไม่เหมือนกัน โลกทาหอเคล็ดริกรรมว่าพุทโธพุทโธอย่างนี้เขาเห็นความบวิกรรมเกิดดับอยู่เป็นวัจีสังขารด้วยจิตตสังขารเกิดดับพร้อมกันอยู่ทับลม้าใจเขาอแต่คุณของพุทโธไม่เกิดไม่ดับไปไหนเป็นอนัตตาคุณใชไม่เกิดไม่ดับถ้าเขาเห็นพร้อมกันในขณะเดียวยังนี้จะว่าสมถะมันก็ไม่ถูกต้องวิปัสสนาสัมพยุกต์กับปัญญาโลกทาหออกีก ผู้ปฏิกรรมว่าระชโชห์รันังแลชจังฮานรัิอย่างนี้ก็น่าจะเป็นบริกรรมภาวนาภาวนาในปฏิกรรมทำไมตังแต่ฉนานิปิสัมพิทาสีในขณะนั่นด้วยก็เพราะเหตุว่าปัญญาได้สร้างมาแต่พวกก่อนไม่เหมือนกันคำสอนแต่พระบดระบาดส่งต่อพระมิพานหมดแล้วก็สะฮ้อนเอกเช่นภาษารีบทจูทัาชุกกะคาตากับพระบรมศาลา มีทีคณะคาอักฤเทศคนะโคดเข้าไปกาทูลธรรมะเมื่อเทศธรรมะแต่เบืงต้นสูงขึ้นไปแล้ว <c oughs> ก็บอกว่าโลกเวทนาสัญญาสังขารนี่ที่ยังเป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วพอแปลผลน่าจะสลายรุกม้ด น, นดังโหัวสีส่วนพระสารีบุตรทำงานพัดอยู่ข้างหลงังก็สําเร็จพระรหัสส่วนทีคณะคาอักฤเทศคนาโคดถึงแต่พระสวดาวันวพระพุทธองค์เหตนั้นทําแต่ละวัดระบาดจะผูกขาดว่าอันนั้นอนนี้มันก็ไม่ถูก มันก็ขึ้นอยู่ผูเพจะกรตาคุณญาตาถ้าอย่างนั้นผูเพจะกรตาคุณญาตามีไหทําไมผู้จะทางชาวฟังเดียวอะไอฟังฟอนก็พูดอย่า ง, งา น, าง น, น, นี้เพียงเท่านั้นก็ให้ะะ 3, 4, 4, ะะคะแนนเ้าแตกฉานใพระพุทมิศาลี่แล้วเป็นบรนทักะเหมือนกันก็แตกฉานในพระพุทธมิศาลี่เหมือนกั น, ก น, 3, 4, น, กนแล้วโชว์นางและช่างฮันตะจิตเมือ่อวานจะเป็นสมรชาทาไมถึงแตกฉานในพระพุทมิศาลีแล้ ว, วก็พระบารมีที่แตกต่างมามเหมือนกัน ถ้าอย่างนั้นก็บอกว่าคำสอนจาระบบระบาด่งต่อพภพระานพานหมดนี้ปัญห า, าทัศธรรมเอกผูกขึ้นเดี๋ยวนี้ตอบแล้วนี่ทำไมจึงมีโลกีมาปนเปืศาสนาพุทธยุ่งเหยิงเหลือเกินจงตอบให้สมภูมิบ้าท่านเรียนหนังสือมาถึงนี้แล้วตอบว่า ที่มีโลกีมาปนเปพระพุทธศาสนานั้นก็เพราะเหตุว่าเอาลัทธิศาสนาอื่นมานปนเปศาสนาพุทธจึงมีทั้งโลกีและโลกุตระไอ้ที่แท้ก็เป็นโลกุตระทั้งนั้นศาสนาพุทธเพราะมีคําอ้างว่าสุภเทปโนยโชยยะสามีจิตนี่สาวกของเราเนื่อยนอกนั่นเลยรับรองเพราะวาจันเรื้องต้นคือสุภเทปโนอุชยยะสษามีจิต อ, อุจุคือสุปฏิปัน โ, พโ น, นพระครรภโตเศ้าเศร้าโกเป็นศาสเป็นความจำเริางต้นของพุทธศาสน า, ษาตั้งก่อนนั่นลงมาพระบรมศาสน า, าม่รับรองเพราะเป็นโลคีเพราะเอาคําสอนโลกีมาปนไปศาสนาพุทธนั้นก็รุ่งเหยิงคําว่าสันติิโกในทางพุทธศาสนาก็คงมีขอบเขตอีกสันติิโกพระสวสดามันสันติโกสกทาคามีสันติโกพระอรหันต์พระอรหันต์นลูกเองเห็นเอง โดยชอบด้วยปฏิบัติยิ่งทัศนานุตรีย์เห็นเยี่ยมพิพิพัฒนานุตริยปฏิบัติเยี่ยมโยตานุตรีย์คนเยี่ยมหมดแล้วไม่เหมือนสหจารวันคนเยี่ยมเป็นเอกเทศยักษาคารมีอนาคาร์มีก็เหมือนกันส่วนพระทหารคนเยี่ยมหมดแล้วทีนี้สัญชี้โกของพระอรหันต์เป็นสัญชี้โกเห้เห็นจบแล้ว เกิดความรู้ความเห็นในความที่ใจพ้นจากกิเลตแล้วสัชิดที่โกลมมีวุตถยาในทัศนคติถาเกิดความรู้ความเห็นในความที่ใจพ้นจากเกเรตหมดแล้วพระชาวรามเกิดความรู้ความเห็นในความที่ใจพ้นจากกิเลตเป็นเอกเทศรัฐทาการนาการในกองน้ำกำเราจะตอบแบบนี้ทำแต่ระวัตระบารงต่อพระนิพพานหมดหรือไม่บุกคลนี้ทำแต่ระวัตระบาจงต่อพระนิพพานได้หมด คือออกมาจากโมโหพังจะออกมาจากคำเพยไหนไหนพีทนายกายก็ดีเพยควัตก็พูดมากจุลลบพูดยาวจุลละวัคก็พูดน้อยมหาวัคก็พูดหลายวัคหลายตอนเอกรวัคก็พูดวัคเดียวเอกนิบาศก็พูดแต่มโนโหพังเขาพูดคํามีวัคเดียวทีนี้ทำแต่รัวระบาดจงต่ อ, อพระนิพพานนโมพระสัทวันเจ้านโมนโมน้อง พระโชราบานน้อมนอมพ้นจากเกศเป็นเอกเทศพระเจ้ากระตาคานีก็เป็นเอกเทศรคามก็เป็นเอกเทศพระทหานเรียนนโมองคยกแล้วน้อมน้อมจนไม่มาเกิดเกศทุกาาอีกน้อมน้อมจนไม่มีราพัทโตสัตโหมหักคำแก่ระบาดระบาดมันเครื่องอยู่กขพูดแตกฉานถ้าใหญ่นั้นพระธัสมิทาสีนไว้ทํำไมัพระธิสมิทาแตกฉานในอับธรรมะพระสมีทาแตกฉานในธรมนิวรติพระธิสมิทาแตกในรุษแตกฉานในรุ ปฏิสัมปปะเจตพามปฏิสัมพิทาแต่สามปฏิสัมพิทาปสัมพิทาสีมีไหวทําไมถ้าอย่างนั้นสังขโหอสังขโหะมีไหวทาไมสังขโหะแปลว่าสองข้อลงในหนึ่งอสังขโหะแปลว่าสองข้อขยายออกขยา ย, อ อ, าย อ, ออกมาจากไหนก็ออกออกมาจากโมโนภูฟังนั่นเองย้อนลงมาเขาย้อนลงมาหาโมโนภูฟัานั่นเองอยาจะพูดอะไร น, น, ไ น, นี้มีปัญหาถามเข้ามาว่าผู้ภาวนาเห็นดวงแก้ว อันประเสริฐแล้วเข้าใจว่าถึงพระเนรเห็นดวงแก้วที่เป็นอภัพสอนเข้าถึงใจเข้าเข้าใจว่าเป็นพระเนรพลถูกไหมจงตอบมาข้าพเจ้าเข้าใจว่ายังไม่ถูกตอ่อเพราะเหตุว่าถ้าตายคาพิจนาดวงแก้วที่เป็นรูปใสๆนั้นอย่างสูงก็ไปเกิดในภพมโรคที่มีรูปเพราะแฝงโูกเป็นอารมณ์เพราะยังไม่มียานว่าคนทุกยังถือว่ารูปเป็นตนตนเป็นรูปอยู่ ยังติดอยู่ในรูปดอนแก้วนั่นอยู่ตายคานั่นก็ไปเกิดรูปปฐมยังไม่ค้นโทษต่อเราจะตอบอย่างนี้กรรมาฐานในพุทธศาสนาะย่อนลองมามีกี่สรรมาฐานถ้าย้นลงมาหาหนึ่งกม็มีเอกราชิบาก็มีกรรมาฐานเียวถ้าไม่ยึดมั่นเือมั่นในจิตก็เป็นตนตนเป็นสิทธ อาจารก็แต่ปร้อมกันนณที่นั่นเองวิชาสี่ไม่รู้ในทุกไม่รู้ในทุกขส้นวัยไม่รู้ในทุกขันโรดไม่รู้ในทุกขันโรดทาม่มีแต่ปฐาไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทก็แต่ไปเจอไปณที่นั่นเองไม่ต้องเรียงแบบก็ได้พี่พระองค์เรียงแบบพี่พระองค์เรียงถอยหลังกับหน้ากับหลังเพื่อให้สมภูมิต่างหาเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจชัด เส้นพระพาหิยะเป็นกศกัรู์เป็นทศกัณฐเห็นรรครับพอแล้วได้ยังปฏิ ป, ปัติปฏิจจสมุบาทที่ไหนเมื่ออวิชาความโง่ๆหลงๆว่าไม่มีเรามีเขาแต่กระเจิงแล้วปฏิจจสมุบาทก็แต่กระเจิงไปพร้อมกันณที่นั่นเองไม่ต้องเรียงแบบไม่ต้องเรียงถอยหลังกลับหลังก็ได้เราพูดอย่างนี้ให้เราตอบเองเราไม่ตอบไม่ตอบเอง คำสอนมากครกแตกเมื่อนีพระธรรมมขันก็เพระสอนคนนั้นคนนี้แล้วก็เอามารวมไว้ไอ้ที่แท้ก็สอนเรื่องตใงที่ขาอันเดิมนั่นเองถ้าอย่างนั้นสังกะโหสมก็สังกะโหไม่สมก็ไม่รู้ทําไมอ่สังกะโหก็คือคอกแตกเมือนี้พระธรรมขันสังกะโหก็ย่นลงมาเป็นสองบ้าสามบ้าสีบ้าห้าบ้าย่นองมาเป็นห้าคืออะไรคือตาห้าย่นมาเป็นสองคือลูกขันน้ำขัน ยอดขยายออกไปจนหกคือตามของสงมองร่างกายใจเป็นต้นสิ่งไหนที่ถูกขยายสิ่งนั้นก็ขยายออกไปจากรับหน่วยหน่วยชิ้นร้อยพันหมืนน่นแสนล่าถ้าย้อนลงมาก็ย้อนลงมาหารับหน่วยชั้นใดก็ดีย่อนลงมาก็ย้อนลงมาหาโ ม, ามาาโนโูุฟังัมือ่อใด มาจากคัมภีร์ไหนมาจากคัมภีร์มโนคุปปาบาปก็มาจากนั้นบุญก็มาจากนั้นมรรคผลญาพานก็มาจากนั้นมีผู้กล่าวว่ามรรคผลญาพานหมดไปท่านผู้เรียนหนังสือมาท่านผู้เรียนธรรมะสูงอย่างนี้ท่านจะตอบอย่างไรบ้างมรรคผลญาพานมม่ได้หมดไปไหนเลยมีอยู่ทุกการทุกเวลาด้วย พระนิพพานก็มีในพระนิพพานอยู่ทุกการทุกเวลาด้วยสังขารก็มีสังขารอยู่ทุกการทุกเวลาด้วยไม่เป็นหน้าที่สังขารจะไปป้นพระนิพพานไม่เป็นหน้าที่ของพระนิพพานจะมาป้นสังขารสริงของใครของมันอยู่อย่างนี้เพราะเรามาศาสตราเข้าสู่พระนิพพานแล้วก็ดีหรือไม่เข้าสู่พระนิพพานแล้วก็ดีมีมาก็ดียุกมีก็ดียุกไม่มีก็ดีก็ทำคําสอนก็มีอยู่ตามเดิมไม่รบเลือนไปทางไหลไม่ใช่ว่า องหนึ่งโผล่ขึ้นมาแล้วจะตั้งพรวต่างกันก็ตั้งพรวอันเดียวกันทําเป็นโรกบาลคงฟองมีโลคสองอย่างทลายตลอดต้องควบคุมมาอย่างนั้นควบคุมฟองลงได้ไม่ใช่รุกระเบิดมีเพียรูประเบิดประมาโนเหมืนชาวโลกท่ตาเดียกันแล้วก็ที่จะองค์ไหนๆก็มานมาคัดคอกันเลยก็มีพรวอันเดียวกันมีพระราชบัดับอันเดียวกันถ้าทําได้ในโยก่อนพระบรมศาลาเขาไม่สามารถที่จะทำได้ทำในโยก่อน เขาเรามาศาสดารมาผู้ทาจิงยอมเขาลดทำาสาัตวรทโมเขาต้องทำับว์วันเขาลดสัตค์ทำถ้าทำมไมนมีอยู่ก่อนเราชนะเพรัะตอนไมนชนะไม่ามาทำได้ดรอประชาาติธดาจินยอมเขารดทำทดเื่อนัทดทดทบคนไมก็เหนื่อยเาก็ชวองชาวโลกที่สร้างขึ้นในมองดูคำสอนพระพุทธศาสนามันมีก็ไปไม่ได้กพระระธาาตนาสอนอบรมอู่แล้มีมนุษย์สมบัติอบรมสวรรค์สมบัตเิเบรมดวงสมบัติอบรมเนี้ยที่ ถ้าเราม่ศึกษาไม่อสอนในนี้คือสอนคารวะก็สบนหมดแล้วที่นี้พระทีบัติทั้งเล่อเป็นทำสอนคารวะต้องสวนพระทีส่สุส่งบังถามมาแล้วมนุษย์สมบัติก็คือเว้นอวัอายยมุขทข้างผูทําไมเว้นอวัอายยมุขทั้งผู้ก็เป็นมนุษย์วิบัติก็เป็นสวรรค์วิบัติก็เป็นพรหมวิบัติก็เป็นพระนิพพานวิบัติอยู่ในตัวด้วยถ้าเว้นมนุษย์สมบัติ ก็เป็นพัฒนาไปในตัวด้วยพัฒนาอาา่านว่าพัฒนาพัฒนาวัตถุนิยมและอุดมคติไปในตัวด้วยพระพุทธศาสนาสอนใหธรรมะฮันยังชีวิตในทางที่ชอบการค้าขายพระบรมาศาสดาก็สอนให้อสอนครารวาที่ไหนพระบรมาศาสดาไม่สอนคาวะไม่เลยมันที่โตคาราวาสสามบัญญิกั น, น, น ท, ทุกู้องนักธิภาราปรินายอากาคนพานไม่ใช่คนพาหนา้า พณิษาราปริมาณราบันเดชเท่านัา้นทุกคนาาก็อนหน้าพระพุทธาสนาสอนแล้มนุษย์สมบัติผ่านมาแล้วสวัยสมบัติผ่านมาแล้วคมสมบัติผ่านมาแล้วนิานสมบัติผ่านมาแล้วงได้มาสอนเาราจก่งสีหาหน่ะดังนะ ก, กันเตยเตกงประกาศพุทธบริษัทไม่ขั้นข้ามราารพรมกกิเดชาพระวิชาพระดาพระมกลางประวัติเต็มติ ให้พลเมันเป็นไฟโลแกาติวัติยาให้โลกเป็นไปพุทธัถะชติยาชงว่าพุทธอเป็นประโยชน์แก่พระพุทธเจ้านิยาถะชตาเพื่อเป็นประโยชน์ก่พระหรือโดยสารเป็นสกัดโลถะชติยาเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกข้อมูลวุ่นแล้วพี่อ้อผูศาสนาสอนโกเต็มภูมิแล้วที่โลกไม่ยอมเอาก็โลกที่โอ้ก็อนุมางทุกอย่างได้ถ้าชาวโลกมีศีนฮาบริบุ์ ทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีรื้เรือนจำก็ไม่ต้องมีตรวนก็ไม่ต้องมีรายขายของก็ไม่ต้องเฝ้าคดีดำคดีแดงในโรงพยาบาลก็ไม่มี้ักวิทยาศาสตรสอนโลกพอเลยอ่ะอบายมกคุกประเภทเป็นทางชิปหายด้ด้านค้าขายขงรามศาสตาคสอนค้าขาสวรรค์าขายของค้าายดตียอเนี่ยัเตรยมตัวาวฝานค้าขายำมาค้าขายยาพิษการค้าขายทุกอย่างนี่ชาวโลกไม่ต้องประกอบ ว่ามัดของสาวโลกขาระการประกอบเพื่อศ ร, รัทธาพิเศษโดยเฉพาะแม่คืมอมงคลอื่นขาวตื่เชื่อกับนไม่แสวงฐานเสบนนอกพุทธศานนสนาฐานความเทียมบนแต่ในพุทธศาสนาาวโลกต้องตั้งเห็นในสาวะรการและ้เห็นแบบที่ขาราชการสิตรงกันข้าว น, น, น, น, น, นันักนก็พ ร, รามาศาสนาสอนหมดแล้วที่ไหนก็พอเรมศาสนาไม่สอนมีในระหว่างหัวข้เรียกอสอนในระหว่างสิทธิาราชการก็สอนในระหว่างเบาคัดนายกสอนทกิตก็สอนมิตทุกคนทกข้อสอนนิตทุกคนทกข้อสอน ผู้เขาลอกชิ้นท่าไม่ให้ได้ลอกละเมิดชิน้นท่ไม่เสียดายอยากถือศาสดาอื่นไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่เสียดายอยากจะกพิยยะ ถ, ถือเรา่องเรายมีผัวนางก็คือชู้ก็จะเป็นเราในบุเองจะภาวนาจะอดข้อดน้ำบนคมผมทุกม ข, ข, ข, ข, ข, ข, ข, ขนหล่นก็ตาม เชื้อไาอยากจะถือศาสดาอื่นเชื้อด้ยาจะถือเลิกถือยาถืออยู่ยงคงกระพันเชื้อไดอยาจะล่วงละเมิดสินหมันก็ไม่ใช่สุบปฏิปันโนชุปฏิปันโนละสักกายัคิดทิความเห็นเป็นเหตุถือตนถือตัวในพระพุทธศนาไม่นี้วิจิติดเฉาไปสงสัยในวัคคุเทศนาก็ไม่รูปธรรมพัคคุเทศนาอีกด้วย ถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นธรรมสอนโลกตลอดถึงพระยพานบริบูรณ์เลวจึงยอมรับถือสัจทรรมสัพยันชนะเกวรับปริญญานังบริสุทธังคมเจริญยางประกาศเสียทีบริบูรณ์ทั้งอัตถ์ทั้งพรยันชนะแล้วกรรมหานพระกรรมฐานปุยามีตามมหานก่อนตางศเียสารงามเลจึงยอมกราบไหว้ทำกรรมกรหมือนกันสังขารกรรมกรรมไม่ได้กราบไหว้ด้วยโง่ๆถ้าผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเองมันกันพระพุทธศาสนาจับหลักผลของกรรมมาแล้ว ผลของกรรมไม่ลำเอียงเข้าศาสนาใดๆเลยเธอจะบัญญัติบาปบนคนโทษถูกหรือไม่ถูกก็ไม่เป็นปัญหาท่านพ่อเจ้ามีท่าที่จะให้ท่านได้รับผลของกรรมทุกท่านเลยเสังขายานายอยู่ไม่มีคำว่าหนึคือเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุคิดผลก็คิดเหตุสงสัยผลก็สงสัยเหตุไม่สงสัยผลก็ไม่สงสัย เ, ย, ง 9, ยเหตุกับผลมัอยู่ห่างกันพอเก้าไม่เหตุก็บผลมัอยู่ห่างกันพอเก้าเ่ จะเป็นกิเลสมัดผลไปที่ไหนมัดก็คือก่อเหุผลก็คือผลของเหตุพืชก็พืชเหตุพืชกรรมผลของเหตุของพืชของกรรมของข้อกันข้อได้มันจะไปทางดีทางชั่วก็แล้วแต่เหตุพืชกรรมจะทราบขึ้นนอกเหนือจากนั้นรับผลกรรส่วนคนค่าของเหตุของพืชของกรรมที่ทราบขึ้นไม่ว่าทางดีและทางถั่วเธอจะบัญยัติบาปบนคนโทษถูกหรือไม่ถูกก็เป็นปัญหาความจริงก็ตัดสินให้เธออยู่ไม่ลาเอียงแลเธอจะหลุดตัวหรือไม่หุดตัวเป็นปัญหา กรรมบางใช่ไหมผลในพพนี้แล้วภพหน้าแล้วผลในภบสืบๆและเป็นลนกกําดับก็ดีหรือเป็นอาวุที่กรรมก็ดีหรืออสามัญกรรมก็ดีหรือกรมกรมเงื่อนเกียนก็ดีมันก็ไม่ทิ้งไม่ทิ้งไปไหนเลยจริงอยู่ในแต่ละวันนั่นคจึงเรียกว่าอนีต จ, จังพิจญาทุกเป็นอารมณ์อยู่สมมดไทยและ ม, กกมรดกก็จะเรียนไปเองทุกนิญนาทุกเป็นอารมณ์ สมุทัยก็ละไปเองมั ก, ก็เจอไปเองนิโรดก็ทำให้แจ้งไปองไม่ใช่พิจารณาทุกแล้วก็พิจารณาสมุทัยแล้วก็พิจารณามัดแล้วก็พิจารณานิโรธ น, นัน่นเรียงเรกนะนิโรดเป็นของที่ทำให้แจ้งเป็นจิริยาที่ทำให้แจ้งอยู่อ๋อนิโรธสมาบัตเป็นของ เป็นอันนี้ังนั่นก็เป็นอันนีจังหมดกำลังก็ถอนออกมาเทนั้นพระประวัตาศาสตราจริงไม่นิพาน น, านิโรธสมาบัติทำไมจึงเข้าไปเข้าไปให้สมภูงกังหัแล้เวเพราะนี้นิพานในระวหว่างมอดสอวปัญหาถามเข้ามาเอกว่าฉันหาทคำเอกบุกข้เดี้ น, นี่ลหละ พวกลงมาทาสนาวสวยมุกที่ไม่มุกที่สุดสแขงแล้วเจ็วันที่ตัดกะต้วแล้ว น, นั้นเป็นจริงหรือยังไงอธิบายมาสิแข่แล้วเจ็ดวันเจ็ดวันทูดูเจ็ดยี่สิบเก้าวันนั้นเพราะได้นับทานอาหารฉันอาหารของนางสาวข่บของนางสุธารา แบ่งเป็นสีสิบเก้าคำไปได้วันแค่คำคำว่าสวยวัตถุศุกร์ก็ฟูเพื่อให้สมรู้ความหมายต่างหาอาแค่แค่เป็นพุทธวิใสัยใครจะไปรู้ได้พั้าหมเรษษาศาสตรชาสามกันกัวอยู่ในที่ไหนก็ไม่มีใครทราบได้เราพูดกันเพื่อให้กูบความหมายต่างหาที่พระอ น, นุรัะษข้าทานถุน พระบรมศาดากำลังเขายิมดเามาบัดจัง่านอ่างนีนอง้อยู่นะก็ทันพระบรมศาลาเป็นบางขรา้งบางข่าวแต่นั้นจะให้ทันเฉัยไฟไม่ได้แล้วผมนะเรารอแล้วว่าอะไรจะมีเกงในข้าวชานก็าตามเก่งในลาบก็าตามเกงในปัญญาก็าตามก็ไม่เที่อวพระบรมศาลาเลยเที่พระบรมศาลาฉลาดประเทศนั่นี คือยกจ้องปรากฏในเพื่อนฝูง้าะนริบุตเป็นผู้มีปัญญามากเนื้อข่าพเจ้าไปพระบรมกากษตรสลาก็ะม่มามเป็นแต่เพียงว่าพระจงพระปัญญามากพระมกขลาจลงฤทธมากแต่เนื้อฆ่าพรเจ้าไปพระบรมมาสดาก็ิย์ราไม่ไ้ยืนยะชีีเป็นพู้มีอำนามากแต่เนื้อฆ่าพรเจ้าไปพระบรมกากษตริย์ส้าไมได้ยินยางเป็นแต่เพียงว่ามีเป็นผู้มีอรนามากท่านก็ให้คะานเณตามสวดค่าความหวเพราะท่านในหัวท่านเ การเนืข้าพเจ้าไปถ้าไมได้รับรองหนักหนักหนักหนักจะตีถึงพระองค์ก็ไม่ได้เหมือนกันถ้าอย่างนั้นคําว่าสยามพูมันก็เป็นโมฆะไม่มีใครจะเตรียมถึงเราสักครเราเป็นสยามพูถ้าอย่างนั้ น, น, น, น, อ, น, นอันนั้นก็เป็นโมฆะสิะ <laughs> ชาวโลกขี้โอววางปตไมยพวกนึ่งไม่มองดูพระพุทธสานะมนมีนควาเป็น แต่พวกถือว่ามันบาปในบุญมันแต่ว่าไม่มันขอใคไม่รอดแกกระเดินเนี่ยพระขนของกรรมอยู่ข้างหลังเอกขนของกรรมพระพุทธศาสนาเอามายัยมาินอย่างแนี่ยเป็นสานไต่สวนเป็นสารตัด ส, สินอยู่ในตัวเป็นสังขายยายสัตว์โลกอยู่ในตัวกบกับเขียดมันก็ไม่รู้บาบุญคุณโทษเลยมิชั่ เงี้ยนั้นมึงตายเป็นกบกูก็ตายเป็นงูมึงตายเป็นงูกูก็ตายเป็นกบกูคับมึงเอากูคนคนคนทีอยู่อย่างนั่นนั่นมันไม่รู้จักบาปบุญเลยคนทุกกรรมก็ยังตามแล้วน่ะนั่นนัน <c oughs> พวกอามอามรอมาเอนี่ก็เหมือนกันพวกต่อสู้กันเถียงกันอยู่นี่เออคนทุกกรรมจะตามเองหรอสังขายานายอยู่มันมีจังหวะอย่างกูเถียงกั น, นเถียงกันให้ประชายชน ที่เหล็อของพระเคียงกันที่ว่าอะไรต้องกําต้อูกรารมอยู่ยยพูดจะพ่นพูดจะพ่น จ, ะพนจากกรรมก็คือเป็นอโหสิกรรมแน่ถ้าไม่ถึงอโหสิกรรมถ้าไม่ถึงพระอรหันก็ไม่พ่นจากกรรมและผลของกรรมเลยถึงแม่ย่างนั้น พระบรมศาสดาก็ยังมีกรรมตามถึงอยู่เช่นชาติก่อนๆพระบรมศาสดาแต่สร้างบา ร, รมีมายังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเคยได้วางยาเขาผิดบรรดาในปชันโมงวดของนคุณทกรรมมาใ น, น, นบทสัตย์เสภเนจรเป็นเมืองุศลนาตื่นเช้ามาองค์ท่านก็ปฏิญญาผ่านไปแต่กรรมและผลของกรรมตามถึงพระอรหันต์มันก็ถึงแต่เรือนร่างว่างเปล่า พราะท่านไม่มีอุปทานในขันห้าแล้วเพราะท่านพ้นไปจากขั้นห้าแล้วมันก็ตามแต่ถึงขั้นห้ามันไม่ตามถึงพระนิพพานสัเช่นเขาไปฆ่าพระโมคคลาก็เหมือนกันมันก็ตามถึงแต่ขันห้ามันไม่ถึงกิเลสท่านเพราะท่านไม่มีกิเลสที่จะมารับมาปัดอยู่ที่นั่นท่านเป็นอโหสิเหตุอห์อโหสิผลไปเลยเช่นเราถอดเชื่อไว้ที่นั่นเขาปวดให้เราเขาก็เอาเชื่อของเราหรือกางเกงเราเนะ่ะ เราไปถอดทิ้งไหวกลางทางก็ดีเขาโกรธแค่เราเขาเอาไปเผาไฟเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรามันมีอุปทานในเสื่อแล้วขันห้าของพระละหันก็เหมือนกันตามไปถึงมันก็ไปถึงแจกยาล่าแต่พวกเก่ามันไม่พ้นใจก็ดีพอตามมาถึงมันก็ได้ทั้งหนังทั้งเขาถูกไหมอโหสิกรรมทาให้ผลสําเร็จแล้วเรียกว่าอาโหสิกรรมทําให้ผลสําเร็จแล้ว เพวกเรายังไม่พ่นมันก็ตามถึงอยู่นี่ลูกปูไปยิงนกมันก็ตามถึงแล้วนี่มันเป็นลูกเข้าใจอยู่นี่ยลูกปูไปจับโคช่วยเขาแต่เป็นคาราวามันก็ตามถึงแล้วนี่ใส่เลือดใส่แก้มข้างงูนี่ยลูกปูไปใส่เบียก็ตามถึงแล้วนี่ไม่ใส่เบีดปลาไหลมันตามถึงแล้วนี่เขาเอาสายยางยัดเข้าคอลูกปูเหมือนปลาหลกินเบียด ตามมาถึงอะไรนี่ที่จะไม่ให้กรรมตามถึงมันก็พ้นจากภารานเท่านั้นเป็นอาโหสิกรรมกับพระโหรากรรมอาสนกรรมกับเมื่อชวนเจียนเป็นของสําคัญมากชวนเกียนจะตายเป็นของสําคัญมากอาสนกรรมกับเมื่อชวนเกียนจะตายเวลาก็จะตายไปปรากฏเห็นแสงไฟ แต่ไม่ใช่เส้นกับสินหรือเห็นแถมทานไฟหรือแสงไฟแดงลกูกยังไม่ทันทิศจิตตะทางอื่นก็เส้นลมปาณในสา ะ, ะนั้นก็ไปเกิดในนรกเวลาใกล้จะตายไปเห็นาไฟลามทานแต่ยังไม่พิกจิตไปทางอื่นก็เลยเส้นลมปาณในเวลา้ ก็ไปเป็นสัตจจเดชานเวลาใกล้จะตายไปเห็นคันมารดาแล้วก็ยังไม่พิจิตไปทางอื่นแล้วก็สิ้นลมปานก็ไปเกิดในคันมารดาเวลาใกล้จะตายไปเห็นมืุมนุย์อนทกาและยังไม่พิจิตไปทางอื่นแล้วก็สิ้นลมปานในเวลานั้นก็ไปเป็นเปรตไปเกิดเป็นปรตเวลาใกล้จะตายไปเห็นวีมาและเห็นเทวบุตรเทวดา แต่ยังไม่ทันพิจิตไปทางอื่นอือก็เส่ลงไปในขณะนั้นก็ไปเกิดเป็นเทวบรเทวดาในสวงสวรรค์หรือในพมโลกสวรพมรโลกนั้นกำลังของฌานปฐมฌานสติฌานสติฌานจตุตฌานไปเกิดในพมโลกเพราะว่าสักจพมโลกให้ตามมาพมมาปฏิทัศนาอปมาณาปะอาปสาาปฏิทนสุภาปมาลาสุภาสุภาเญาอาศัสตาว เวทพราหมณเวทพราหมณ์จำพวกนี้เจริญชาประทุษะชารมากทุติยชาบ้างทุติยชาบ้าจตุษะชาบมาเป็นโลกียบ้าเป็นโลกุตธระบางส่วนอิหาระกร้า ส, าสุตสาสุตสียการิสกานั้นมันเป็นพมของพระอนาคามีพระอาคามีห้าพระองค์ห้าประเภท สองประเภทข้างต้นกําหนดด้วยอายุสองประเภทข้างปลายกําหนดด้วยความเพียนประเภทข้างท้ายต้องเลื่อนขึ้นไปเกิดพบสูงขึ้นไป จ, จนกว่าจะถึงชั้นอาการนิสกับพบพระนาคารมีห้าประเภทแต่และประเภทก็ทั้งมีตั้งร่างละละละพระองคมันสันพระสวดวันก่อนเหมือนกันตั้งพระนาคาร์เหมือนกัน ถ้าลาะหันก็ไมกันถึงอย่างนั้นก็ได้เพียงเขาโกส่วนท้องพอไม่ได้ก็มอบให้พระพุทธเจา้าองค์หลังต่อไปพูดมากก็มากออกมาจากพูดแต่ละคำละคำพอเนึกขึ้นแล้วก็พูดก็ล่องไปล่วงไปล่วงไปเหมือนกันนึกขึ้นแล้วก็พูดก็ล่องไปล่วงไปเหมืนอนกันคืออันนี้จังอันละเอียด คือไตรลักษณ์อละเอียดอันนี้จังอยู่ที่ไหนตรลักษณ์ก็อยู่ที่นั่นนี่ขึ้นแลราคาพูดนี่ขึ้นแลราคาพูดก็ร้องไปร้องไปร้องไปรองไปคืออันนี้จังอันละเอียดมาเกสรสังขารจิตต่สังขารดับเป็นเหมือนกันจิตต่สังขารก็ดับเป็นเหมือนกันเหตุฉะนั้นพระบรมาศาสด า, าจดึงมาให้ยึดมั่นถือมันในจิตแต่อ า, ายุจิต ปฏิบัติเพื่อพ้นจากจิตนอกจากจิตก็ไม่นอกจากใจก็ไม่มีอะไรแต่รู้เข้าใจและอันก็ไม่มีอนในใะไรจะปฏิบัติใจใ จ, จ, ใจที่ต่อ้นมีจงอยูจิตกลางธรรมกลางสุขขา้าหันพิทีฝึกฝนแล้วนาศุก์มาให้ใจิตพิทีไม่ฝึกฝนก็ตรงกันข้าม สุในพระโดาวันสุกในสกาคันสุกในอนาคามีสุกในทลายเป็นสุกโลภตระสุกต่าก้อนนั้นลงมาเป็นโลกีไม่จับเลยสุกในกระดิหก็มีอยู่สีอย่างสุกเกิดแต่ความมีทรัพย์สุกเกิดแต่กตรทรัพย์บริโภคสุกเกิดแต่ความเป็เเป็นสินสุกเกิดแต่ความเป็ะเน้อนก่ามเป็นเนือยป็นสิกแต่างนเ้็นกแต่คานาจอันนสกเกิดามเปนเน้อนสิกแต่ความเป็นเน้ปกกแต่าม สิงได้นท่เกิดขึ้นเน้่ยเก็นความรับผิสลายสิ่งนั้นก็คือพวกเรามี่นี่นี่เองผู้ใดหาสุขร์ในไตรโลกธาเก่งพระอรหันต์ทั้งหลายหาสุขในไตรโลกธาไม่เจอไม่เจอะไม่พบไม่พบเลยเหตุนั้นจึงเบื่อหน่ายความหลงของเจ้าตัวไปสักแต่พวกเราอวดดีต่อพระอรหันต์มาหาสุขแข่งดีกับพระอรหันต์ มันก็ไม่เจอไม่เจ็บไม่พบไม่ปักไม่เห็นก็เห็นแต่เกิดเกเียบตายโรคปวดหลงนั่นเองใช่ไหมก็ถ้าหาาสุขในโลกไม่เจอไม่เจ็บไม่พบไม่เห็นเคลียแล้วเหตุ น, นั้นจึงเบื่อหนา่ายความหลงข้ามทะเลหลงของตนไปซักตัวรับเอย่ือเดียวนอกจากสติปัญญาไม่มีอันใดจะชนะความหลง นอกจากสว่างไม่มีอันใดจะชนะมืดความสว่างในใจโลกธาตม่เหมือนปัญยาปัญญาย่อัปยสุดสติบุคคลจับบ่อที่สุดก็พระปัญญาปัญญาโลกัตเมติปฏโทโตแสงสว่างเส ม, มอเวยปัญญาไ ม, ม่เห็นอันนี้จังคณะคิดเหน่งทะลุโลกแล้วทะลุภูเขาติเดเชื้อร้วยเพราะภูเขาก็จะแตกเป็นเห็นอันนี้จังคณะคิดเหน่งก็เห็นรอบโลกแล้ว ไม่ต้องสงสัยโรคในโรคทั้งปวงเลยถ้าอ ย, าอ ย, าอย่างนั้นก็ไม่มีใครข้ามความล้มของต้ด้านนับเม็ดหินเม็ดทรายในช่องห้าสมุดลงเป็นเอกันิบาทสิ่งไหนเป็นของแข็งก็นับเอกับเทวีธาตุสิ่งไหนเป็นของเหลวก็นับเอกับอาโปธาตุะ ทีนี้นที่พักไปมาก็นับเป็นเอกะไวยวุธาจ้ะทีนี้นที่ร้อนก็นับเป็นเอกะเปโธธาจ้ะถ้าไปนับหนึ่งสองสามย่อมถึงอสังขยอโศนัดก็ผีบ้าพวกไปเป็นกรรมการก็ผีบ้ากี่วันมันยิงจะจบนับลงเป็นฝ่ายสังขงเหือคือสมภพเม็ดนั้นภาษาเยบทท่านจิงนับเม็ดหินเม็ดทรายในท่อมหาสัุได้โดยไม่สงใัว เยอะยค่ไตนนะที่กับ้านว่ะเออไปเอเอแล้วพูดก็มูแล้วก็พูดมากแ้วเอาอยู่คนเดียวเราก็ไม่ต้องการพูดมากมากก็มากออกไปจากใจ หานก็หายลงมาถึงใจจะมีมากเท่าไรก็ออกไปจากใจถึงไปยาวเหอะก็ออกไปจากใจถ้าย้อนลงมาก็ย้อนมาหาใจถ้ากระทุกย้นลงมาหาเอะกระทุกใ น, นปัจจุบันถ้ากระถุกย้นลงมาหาเอะกระถุกใ น, นปัจจุบันบุญ เป็นคุทางเข้าสู่เขาในความบาปเป็นคุณทางลงสู่นรกคุณทางใจคุนทางความประพฤติบุญที่เป็นโลภทัศนบุญคือบุญพัฒนาบัณฑ์บาปเพราะพัฒนาบัณฑ์ก็เป็นโลภทัศน์บุญเพราะมีหน้าที่จะระได้ไม่บุญบุพของสัปตันขามีหนาขามีเป็นโลภทัศนบุญ ส่วนพระทหารเหนือบนญบาปไปแล้วบาปของพระศักาคามรีนาคามีก็เหมือนกันเป็นบาปที่มีเกณฑ์จะละได้จนต่ํากว่าพระทสดาวันลงมาเป็นหน้ามือยหลวนเป็นคนร้ายใจภายเรือในเอียงบางทีก็เป็นบาปบ้าบางทีก็เป็นบุญบาปจริงไหมนับเข้า ต่ตนทุกองห้ากันต่อตวสโมสรโกตัวสโมสรโค้ชตัวสมสโัโ้งอแฉ่เจอพันิชัยตัว้สองแฉ่เจอพันิประโยกแปดประโยคเก้านักสีผลสีนิพานหนึ่งนั่นนิพานในที่หมายอนุไที่เสศนิพานพระโสดาบันเรียนถึงนักธรรมตรีพระโสพระสกทาคามี เรียนนักทำตรีเหมือนกันแต่สอบได้ดีกว่าพระโสดาวันนักทำโทคือสักาคาถาเทียบนักทำเอกคือพระหัมในขั้นพุทธการหืมจ ก, ก่อเออไว้ไปซุบไปชุ ก, ชกอืมอ ม, มหาโมคคราสาเียทม เป็นมหาอรหรันต์หลวงพ่อสิทธัตถะหลวงพ่อพญสักพุรนบุตรหลวงพ่อพระมหากรตประเป็นหลวงพ่ออรหรันต์ะแต่หลวงพอ่อพวกเราเนี่ยหลวงหลวงพ่ออะไรไม่ทราบหลวงพ่อขายข้าวแห้งถูกไหมหลวงพ่อพุทธาพิเศษขาตังใช่ไหม ลุงพ่อพวกเราลุงแม่นาปตาจาราก็เป็นพระทหารห น, า น, น, นางอุบลวรรณนาเขาเป็นพระทหารหลวงแม่นางพัฒกาลาศิานีเขาเป็นหลวงแม่阿拉หาังเมื่อคุณธนากีสีก็เป็นหลวงแม่อ拉หาังหลวงแม่คุณธนากีสี หลวงแม่ประตาจาราเป็นหลวอรหันต์อยนะวัดดีคือเราม่สงสัยคนมาพุทธพระเราอ่านบอกว่าครูบาอาจารย์องค์นี้จะแตกฌานธรรมะเพียงไหนเราอม่เห็นเราไม่สงสัยคนาุทธธรรมผสเราก็ไม่สงสัยคาสอนพระพุทธเจ้าด้วยท่านจะแตกฌานไหนธรรมะเพียงในเท่านั้นเราไม่สงสัยคาสอนในศาสเราอ่านดู โหหารของท่านเฉยๆวหของท่านรวถง อ, อย่างนี้น่อนสองแถวท่านอาจารย์องค์นี้ท่านจะแจกสารธรรมะเพียงใดเท่านั้นไม่ได้ส่งไคสาสอนเลยท่านจะแจกสาเลยเข้าใจนะที่นี่อืมอ้างบานีมโนทุกฟังเลยผมไม่ได้อ้างยาเพราะบาบุญมาจากนั่นสามซะกอย่ามาเคยแกเก็ตายอีกเลย ปัทนาพเนจรแล้วมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติคมสมบัติมันดึงดูดไปเองเหมือนที่เหนือดึงดูดเคลมทิศไปเหมือนน้ามหาสมุทรใหญดึงดูดน้ำฝน ห, หนองของมืองบางไปเราปัถนาพเนจรเนี้ยมันดึงดูดไปเลยมนื้อจักเก่งเนื้อจัดพญานดึงดูด ให้อะไรอะไรเป็นวงขึ้นของตนเหมือนทิศเหนือดึงดูดเข้มทิศเหมือนมหามทะเลดึงดูดน้ำห่านน้องความบนบางคุณของกบโตดึงคุณของครัวาอากาศผู้หญ้าชายยายและท่านผู้มีคุณซึ่งก็อยู่ในวงแขนของตนด้วยคุณของขันทฟานี่กำลังมาก